Book 42การเที่ยวเมืองตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะร r า o ท งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมคะไอร์เมสซ์นเปิดเปิดทุกวันนใช่หมนิทัศกาลเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะไอร์อ t ตติลิ่งเปิด p e n på t i วันอังสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะไอร์ดิวิพา e ์กเปิดเปิดทุกวันใช่ไหมค พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะอะร์ม er ูเซอ์เปิดต์ป er er? ์วันศ a กหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะอะร์กา l เลรีเปิ p e ์ป์วันเสาร์สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะอะร์เดลว่าว ta bilder? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ ค่าผ่านประตูราคาเท่าไรคะว่าค่าติ์งั้งไมีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะฟินเดสต์กรุ๊ปเปอร์มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะมีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ Är det s t u d e n น r a b ั t t นั่นตึกอะไรคะ v a slags บิ๊ก์อะไรตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะวูร์แกมเมลอะไรบิ๊กน e n ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะวิมหัวรับบิ๊ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม ดิฉันสนใจในศิลปกรรมดิฉันสนใจในจิตกรรมดิฉันสนใจในจิตกรรมดิฉันสนใจในจิตก n รมดิฉันสนใจในจิตกรรมดิฉันสิตร